ยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเ i ียวธร m m a n c o m ผู้ที่พูดอยู่นี้ก็คือพระไยบูลอภิปุนโนาจากวัดป่าดอนไห่โศกแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการร่วมกันนั่นก็คือคุณหมอณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับกระผมทันตแพทย์ณัฐพง์กหนกวิรุณนะครับตอนนี้เราดำเนินรายการมาถึงตอนที่ 24, 24นะครับแล้ว แล้วก็เราทั้งสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนี่แหละด้วยการพบปะ ท, ที่เป็นแบบสบายสบายเนาะมัลทงอาจจะมีรประเด็นคําถามอะไรก็จะเอามาถามได้หรือว่าถ้าอาจจะมามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับธรรมะเราก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟังที่ฟ<ๆ>ังรายการภาคออนไลน์เนี่ยก็ให้ทราบทําความเข้าใจไว้ด้วยว่าเราฟังเนี่ยเราถ้าจะมีคําถามมีอะไรสิ่งต่างๆที่ จะทําให้มีความเข้าใจในธรรมะได้มากขึ้นถ้าถามแล้วจะเข้าใจขึ้นให้ถามได้เนอะเหมือนตอนที่วันรุ่งทรงจำได้ไหมตอนที่พระพรุทธเจ้าก่อนประ น, นิพพานอะก่อนที่จะบอกว่าก่อนที่จะบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอะนะคำฮิตๆที่เราจํากันได้ยังเงี้ยพระพรุทธเจ้าให้สาวกทั้งหลายในที่นั้นเนี่ยถามก่อนเนะี่ยพวกเธอใครผู้นี้ในที่นี้เนี่ยมีใครเห็นแยง้ง เครือบแคลงนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในครอบเดียดให้ถามเสียนะอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังว่าอยู่ต่อนหน้าพระศาสดาลแล้วไม่ได้ถามนะเพราะฉะนั้นเรา เ, <อ>เรา <Catal. S 1> อย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังว่าเอ้ยเราฟังธรรมะแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่ได้ถามอย่าให้ร้อนใจด้วยข้อนี้เป็นเหตุแม้ว่านั้นน่าจะถามแล้วแต่ไม่ได้ถามอย่าให้มีความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเ<อ>ถามแล้วเราจะสบายใจขึ้น ให้มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามมักตามข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ถามได้เนาะถามไม่เป็นไรถามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ดีแล้วเราก็จะเอามาตอบให้ฟังตอนท้ายรายการวันนี้การถา ม, มทานท่านบอกว่าเรียกว่าสากกัจฉาหรือเปล่าครับ ท, ที่ท่านเคยพูดถึงสาคัจฉานี่เป็นการคุยบทคุยสนทนากาันพระเจ้าเคย<อ>ใช้คำนี้ในหลายๆที่ อย่างเช่นบุคคลอย่างเรามาคุยกันสากระฉากันอย่างเงี้ยคือเราเจะคนหนุ่มหรือคนแก่คนไหนที่มีศีลเนี่ยนะเราก็ไปสากัะฉาร่วมนํารงตนร่วมกับคนที่มีศีลเพราะว่าเราพอเราครบกับคนดีใช่ไหมคนดีนี่คือคนที่มีศีลใช่ปะคบกับคนดีก็คือคบกับสับบุตรเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เราได้มีการฟังพระสัท ธ, ธรรมพอได้มีการฟังพระสัทธรรมแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นผู้ที่สามารถสํารมอินทรีย์ พอสังรวมอินทรีย์ได้แล้วเนี่ยอ่ตากายวาจาใจก็จะบริสุทธิ์พอกายวาจาใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็จะทําให้สติปัฏฐานสี่เจริญได้สติปัฏฐานสี่เจริญได้ก็จะมาเข้ากับเรื่องที่เราจะคุยวันนี้คือทําให้โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเจริญได้ออืืมมครับพระเจ้าจึงให้มีการสาข า, าคือคบกับคนดีอ่าครับอย่างนี้ครับก็ หัวข้อที่จะมาสักษ า, าในวันนี้ก็คือเรื่องของพชองเจตนะครับรที่ท่านเกิดนํามาว่าพชองเจตก็มีเหตุที่มาก็คือเริ่มจากคบกับสัต ป, ประบุษนะครับใช<อ>จ่จริงๆคํานี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องคือเปิดไ ป, ด เ, ปดเปิดในพุทธนิยมคําว่าสัตบุรลุเนี่ยแปลว่าคนเจ็ดคน7คนสัตตาน่บาปเจ็ดแต่คําว่าสัตบุรลุเนี่ ย, รยจริงๆอ่านว่าสัตบรรลุ เสาเสือไม่กัดต่อเต่าออ่าเสาเสือไม่กัดต่อเต่าแล้วกวว็บุรุษอ่ า, ออาอออนว่าสัตบุรุษเดีนี้ถ้าสัตบุรุษก็ iping. คือลักสอนว่าบุรุษเจ็ดคนในเล่มจากพระโหนเนี่ยจะเป็นสัตบอบุรุษเจ็ดคนใช่สัตบุรุษแปลว่าเจ็ดครับเจ็ดคนอันนี้หมายหมายความว่าอย่างไรครับท่านเจ็ดคนก็ไม่ได้หมายความว่าเจ็ดคนไงหมายความว่าคนดีสัตบุรุษเนี่ยแปลวา่าคนดี อเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านว่าสัตว์บุรุษอสัตว์ที่ตัวเต่าสองตัวนี่แหละจริงๆอ่านว่าสัตว์บรุษพอเป็นภาษาไทยก็เลยลดรูปเหลือตัวเต่าตัวเดียวแต่เป็นภาษาบาลีนี่มีตัวเต่าสองตัวอทีนี้ในในจากพระโสดเล่นปฏิจจสมุปาเนี่ยจะเป็นสัปปะสเสือไม่ห็นกาดปอปอปลาขอสัตว์บุรุษแล้วก็บุรุษอสัตว์บรุษก็เหมือนกันแปลว่าคนดีสัตว์บรุษ อ๋อคนอสัต บ, บุรุษคนบัณฑิตสัตบุรุษอย่างเงี้ยพวกนี้มีความหมายเหมือนกันหมดแปล ว, ว่าคนดีก็จะมีเครื่องวัดเครื่องอ้างอิงอยู่นั่นก็คื อ, อกายวาจาใจอันเป็นสุจริตของเขาจะเป็นเครื่องวัดเครื่องอ้า ง, างอิงของความเป็นบบความเป็นสัตบุรุษความเป็นสัตบุรุษความเป็นบัณฑิตพวกนี้จะมีเครื่องวัดเครื่องอ้างอิงอยู่ก็คือลักษณะของกายวาจาใจอันบริสุทธิ์เครื่องค่ะ ใจวิใจายใจบริสุทธิ์ครับทีนี้ <c oughs> ด้วยด้วยเหตุที่มาของพวทชง ท, ที่ท่านได้กล่าวถึงแล้วก็คือมีสัพพุลุสัพสท์ธรัมศัทธาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้สมมติว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการเกิดจะเป็นต่อเนื่องไหมครับหรือว่าตรงไหนตรงนึงได้อย่างเช่นจเจริญสติก่อน หรืออะไรอย่างนี้นี่มครับอ๋ออันนี้พู้เรีเปรียบเทียบไว้เลยนะยกตัวอย่างไว้แล้วว่า<ช>เหมือน<ช>ฝนที่ตกลงบนภูเขาฝนที่ตกลงบนภูเขาเนี่ยย่อมทำซอกผาซอกห้วยและหนองอะไรพวกนี้ให้เต็มพอเต็มแล้วเนี่ยก็ทำบึง น, น้อยให้เต็มทำบึงน้อยเต็มแล้วก็ทำบึงใหญ่ให้เต็มทำบึงใหญให่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยให้เต็ม แม่น้ำน้อยก็ไลก่กันมาแม่น้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่ก็ทํามาสมุทรให้เต็มได้เพราะฉะนั้นมันเต็มได้ระดับไหนก็เป็นระดับนั้นคือวิชานี่นะหมอร<ม>ัมพงมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดพว่วงอันเดียวแล้วก็ระเบิดเล็กเทะแบบเป็นบ้าหลานไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นวิชาเนี่ยมันก็จะค่อยๆ<อ>เกิดขึ้นนะบางทีวิชานี่ต้อ ง, งสังสงใ่ไหมครับ เป็นสิ่งที่เหมือนกับน้ําในมหาสมุทรมันก็ต้องค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะนะคือบางทีเราไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ได้เราปล่อยวางเรื่องอื่นได้วิช า, าก็เกิดขึ้นในเรื่องอื่นเรื่องนั้นอย่างนี้มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระดับระดับของเขาไปอะ่ะมันก็จะอธิบายได้ลักษณะนี้ผู้เจ้าพูดถึงความจางคลายดับไปไม่เหลือนะมันต้องมีความจางคลายมีความดับไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยมีอยู่ เรารู้ธรรมะระดับไหนเราก็ปล่อยวางได้ในระดับนั้นมันก็จะมีวิชาเกิดขึ้นในระดับนั้นอื ม, อมครับครับงั้นก็จะต้องใช้ความเพียรพยายามใช่ไหมครับค่อยๆสั่งสมครับใช่่ตัวโพชงเจตใช่ไหมครับโพชงเจอย่างนี้ เราเอามาแจ้งกันเลยดีไหมครับพ่อชงเจดพ่อชงเจดมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงพ่อชงเจดเมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะจะขยายความบิดไปนิดหนึ่งที่บอกว่าการคบกับสับบุรุษใช่ไหมพอคบกับสับบุรุษแล้วเนี่ยเป็นไปบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะทําให้ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีศรัทธาประมีศรัทธาเลยครับคนมีศรัทธาก็จะมีการทําในใจโดยแยบคาย ทำในใจโดยแยบคายใช่พอทําในใจโดยเยบคายแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมาอยู่ติดกันกันกบการสํารวมอินทรีย์แน่นอะนเพราะฉะนั้นพอมีการสํารวมอินทรีย์แล้วพอมีการสํารวมอินทรีย์แล้วก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันบริสุทธิ์อันเป็นสุจริตพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสุจริตสุจริตสาประการแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีสติประฐานทั้ง4ี่ พอมีสติปัฏฐานทั้สก็จะมีโพชฌงเจตมีโพชฌงเจตก็จะมีวิชาและมวิมุตต์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเหตุของโพชฌงทั้งเจตประการนี่ยก็คือสติปัฏฐานสีนั่นเองเราเราเราเคยคุยกันไปพอสมควรแล้วนะครับใช่ทีนี้ว่าในเรื่องของสติปัฏฐานสี่เนี่ยเอ่อก็พอให้เจริญเกิดโพชฌงเจตแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมางงไม่เข้าใจว่าเอ้ยโพชฌงเจตจริงๆพุทธเจ้าให้เจริญโพชฌงเจตเจริญโพชฌงเจตเนี่ย เอ๊ะฉันจะต้องอาทิตย์นี้ทําสติสัมโพชฌงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปทําธรรมวิชยาสัมโพชฌงเดี๋ยวออสองชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ขอทําปัจจัยสัมโพชฌงก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอเจริญอุบเบกขาสัมโพชฌงอย่างนี้หรือเปล่าเน่จริงๆมันไม่ใช่เลยนะมันมาเป็นลักษณะของอัตโนมัติออัตโนมัติยังไง<ม>คือเราฟังอ<ม>ุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้านี่นะเราจะ ได้ความหมายที่ลึกซึ้งใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยเหมือนกับการที่น้ําฝนไหลลงมาค่อยๆไหลแล้วก็ค่อยเต็มไหลค่อยๆไหลลงมาแล้วค่อยๆเต็มอย่างนี้นะมันก็จะค่อยๆไหลไปของเขาเองนะแค่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันก็ทําไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใ น, นลักษณะ น, นีอ้อัตโนมัติที่ท่านใช้คําว่าจเจริญขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ การเจริญโพชฌงเนี่ยก็คือว่าสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของโพชฌงคือการที่มีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมนั่นคือคเหตุของโพชฌงที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับทีนี้โพชฌงทั้ง7ประการเนี่ย <7 S 1> ก็จะมีผลทาําให้ได้มีวิชาและวิมุตติบางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วเประการนี้ต้องทําทั้ง7อย่างไหม นะคําตอบก็คือว่าขออย่างเดียวเรามาดูในพุทธวจนะเนี่ยเราจะพบว่าพรุทธเจ้าพูดถึงสติสัมปโชงอันแบบไหนเนจเริญสติสัมปโชงเนี่ยไม่ใช่ว่ า, ามีสติมีสติแล้วมันจะเป็นสติสัมปโชงนะการจเจริญสติสัมปโชงเนี่ย<อ>ต้องอาศัยมิเวชนะสาย<ม>ความววจางกลายแล้วก็อาศัยความดับนะ เ, เห็นความวิเวกเห็นความจางกลายเห็นความดับ และน้อมไปเพื่อความปล่อยวางจะทําให้เกิดวิชาวิมุตติได้อันนี้พูดที่หนึ่งนะพูดที่สองพูดอันที่สองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงอ่ะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงไงอ๋อก็เจริญแบบวิเวกวิราคาอะอานิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางก็จะทําให้วิชาและวิมุตติแจ้งได้หมายความว่าเจริญอย่างเดียวก็พอเอาอย่างเดียวก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่โพชงเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมที่จะทําให้เราตรัสรู้ธรรม เป็นองค์ประกอบที่จิตเนี่ยจะต้อมีในการที่จิตนั้นจะก้าวลงสู่วิมุตต์ได้แต่จะก้าวลงสู่วิมุตติได้เนี่ยมันก็ต้องมีท่านะแบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ตกปล่อยลงไปเองนะฟุกๆตกลงไปมันไม่ใช่นะ <Kopf. S 1> มันต้องมีท่าของมันท่าของเขาเนี่ยก็คือการเจริญแบบนี้จเจริญแบบนี้คือแบบไหนวิเวกไงสังัดจากการสังกัดจากอริยสัจธรรมทั้งหลายนั่นคือวิเวกแล้วก็เห็นความจางคลายวิราคะ วิลราค็คือความจาง ค, าคลายวิราคคือความจางคลายนิโรธคือความดับไปเห็นความสงบสงบเห็นความจางคลายความดับไปเห็นแค่นี้ทำบ่อยๆ่อยทำบ่อยบ่อยเนี่ยจิตเราจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางจิตของเราจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางสติไง<ห> ปล่อยวางอุเบกขาปล่อยวางธรรมวิจยะปล่อยวางปีติปล่อยวางปัจสถานิปล่อยวางสมาธิปล่อยวางความสงบปล่อยวางพวกเนี้ยผางเลยเข้าวิชารีบมุดเกิดได้วิชา ล, ลีบมุดครับอ่าครับคือคือไม่ใช่ว่าปล่อยวางความคิดปล่อยวางขันทั้งห้าเลนี้ยมันมั น, ม, นมันกระจอกไปแล้วเรามาพูดถึงโพชงนะเรามาพูดถึงโพชงนี่คุณคเลยเรื่องนิวรณ์คุณเลยเรื่องความคิดฟุง้งใช่จิตต้องเป็นสมาธิมาแล้วนะ เราคุยเรื่องละเอียดลงไปแล้วนะเพราะฉะนนท่านั้นฟังท่านไหนยังตามไม่ทันไปนั่งหลับตาสังเกตลมหาใจเลยอหรือว่าสังเกตลมไ า, ายใจไปตอนนี้ก็ได้อันนี้ละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าจิตกุญจออยู่ประตูไปสู่นิพ<ค>พานแล้วอเป็นประตูสู่นิมุตแล้วครับใช่เพราะฉะนั้นจิตตรงนั้นเนี่ยคุณต้องมีสติแน่นอนไม่มีสติไม่ได้คุณต้องมีอุเบกขาไม่มีสติก็ต้องมีอุเบกขา ไม่มีอุเบกขาก็ต้องมีสมาธิไม่มีสมาธิก็ต้องมีปัสสติไม่มีปัสสติก็ต้องมีธรรมวิชยาอันใดอันหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้แล้วปล่อยวางตัวนั้นแหละปล่อยวางสติปล่อยวางอุเบกขาก็ได้ปล่อยวางสมาธิก็ได้ปล่อยวางธรรมวิชยาก็ได้ปล่อยวางปีติปล่อยวางปัสสติปล่อยวางพวกนี้ได้สักอันหนึ่งนะปล่อยวางแล้วเนี่ยนั่นแหละจะทําวิจารณ์และมิมุติให้เกิดขึ้นได้ทีนี้ครับพระพุทธเจ้าใช้คําว่าบริบูรณ์นี บริสุทธิ์บริบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยคือมันจะต้องค่อยๆเต็มไงอันนี้ได้ยกอย่างไปหลายครั้งสมมุติเรามีน้ําอยู่ขวดหนึ่งเราจะเดินทางไกลอย่างเงี้ยน้องเอาน้าไปหนึ่ลิตรนะน้ํากระป๋องหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีคนเอาน้ํามาเติมให้เราสัก3หยดน้ําบริสุทธิ์เลยนะน้ํากลั่นอย่างดีเติม3มหยดหรือเติมไปเติมไปได้สักประมาณสองอซีซีอย่างเงี้ยยังไม่ถึงพันลรอซีซีมันก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ จนกระทั่งเมื่อไรมันเต็มนั่นแหละคือบริบูรณ์เต็มนี่นแหละคือบริบูรณ์เพราะฉะนั้นาการวัดปริมาณบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์นั่นก็คืออินรีย์ของเราไง in อินซีอ๋อครับอินซีอินซี<ๆ>ของเราเพราะฉะนั้นในโพชงเจ็เนี่ยจึงเป็นองค์ธรรมนะที่จิตพอเรามีอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นจิตที่ทําให้เราพร้อมแก่การเข้าสู่ลงสู่วิมุติ บางทีหวรอรถทวงอะไรมาเคยเห็นบุคคลบางคนนะเขาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยโอ้ยธรรมะมันแตกออกมามีความาจิตเป็นปีติอะไรพวกเนี้ยเอเกิดความรู้รธรรมะอะไรต่างๆ่าแต่ว่านั่นแนหะคือธรรมวิเชียสัมโพชฌงมีปีตินั่นแหละปีติสัมโพชฌง<อ>คุณรู้รหเปล่าว่าจิตแบบเนี้ทําให้จิตความความคุณสมบัติอย่างนี้ทําให้จิตพร้อมแก่การตรัสรู้ทำละถ้าปล่อยวางสิ่งนั้นได้นะ นั่นแหละพางเลยอ่อคือปล่อยวางแล้วจะจะปล่อยวางยังไงก็วิเวกในราคาวิเวกเห็นความวิเวกเห็นความจางไกลเห็นความดับไปบ่อยๆจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางจะปล่อยวางได้ครับบางทีนั่งสมาธิไปโอ้มีอุเบกขานิ่งอยู่เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจอดแล้วนะจอดละจอดละไงใกล้ละใกลละอ่าครับครับใกล้ละเห็นความ จางคายของเขาไหมเห็นความดับแปลงก็าไหมไม่ใช่เห็นทีเดียวมันจะได้ต้องเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆจิตจะนอมไปเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางอุเบกขานั่นแหละนั่นแหละคือจะเป็นท่าที่ขึ้นสุนิพานได้ครับออย่างนี้ในในในทางปฏิบัติก็คือการที่เราอย่างอ่ดูลมหายใจแล้วก็เข้าถึงอุเบกขาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ต้องอะไรดูอุเบกขาเฉยๆดูเขาดูเขา เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเขาจางคลายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเขาดับก็คือเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ใช่ไหมครับถูกต้องคือคือสติก็เป็นของเกิดดับอุเบกขาก็เป็นของเกิดดับอะไรเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของเกิดดับแต่คุณไม่เห็นหรอคุณไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้คุณไม่เห็นเพราะอะไรเพราะยังมีความยึดถืออยู่ยึดถือเพราะอะไรอเพราะมีอวิชชาบังหน้าอยู่ มันก็เลยไม่บรรลุธรรมสถทีอะนะครั บ, รบ ม, มีคำในในหนังสือจากพระโอต์ว่าก็าโพชงเจ็ดก็คือเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติใช่ใช่ไหมครับใช่ดีครับเพราะนั้นการที่เรามีเจ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกครั้งสมมติเรามีสมาธิปุ๊บนั่นแหละคุณมาะจออยู่ที่ประตูหน้านิ r v านละ แต่ไม่เห็นเข้าใจป่ะทุกครั้งที่คุณมีอุเบกขาปุ๊บนั่นนหละคุณมีมาจออยู่ประตูหน้านิพพานแล้วนะแต่ไม่เห็นทุกครั้งที่คุณมีธรรมะเกิดขึ้นในจิตนั่นนหละคุณมาจออยู่ประตูหน้านิพพานแล้วนะแต่ตัวเองไม่เห็นทุกครั้งที่เรามีสตินั่นนหละคุณมาจออยู่ประตูหน้านิพพานแล้วนะแต่ตัวเองไม่เห็นทําไงให้เห็นต้องเจริญโพชฌงค์อย่างที่ทําให้จิตน้อมไปวิชาเลยมิมุตได้ก็คือต้องทําบ่อยๆเห็นความวิเวกเห็นความจางคคลาาายยเเห็นวมดับบไปขขออง่ๆ มาจออยู่หน้าประตูนี่แหละบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นประตูได้จะปล่อยวางตรงนั้นได้บ่อยนี่คำว่าบ่อยนี่หมายถึงว่าวันหนึ่งสักกี่ครั้งหรือว่ายังไงดีครับอาจารย์จะให้อัตมาวัดยังไงดีล่ะเกณมวัดในในทางโลกเอกเบ่อยๆนี่วันละสิบครั้งอย่างนี้บ่อยไหมครับเออมันคือเราเราจะวัดยังไงล่ะก็ในเมื่อเราจะสามารถเอา มิเตอร์อะไรสักอหนึ่งเอา้าคุณต้องทำนะสักพันครั้งต่อวันคุณทําไปพันครั้งสักสามรอวันแล้วคุณได้เป็นวาฬแน่นอนมันเราฟันทองได้ยากเพราะว่าเรื่องนี้น<ช>มันวัดกันยากเนื่องจากว่าอินทรีย์ใช่ไหมบางคนพระเจ้าบอกบไว้บอกว่าเราบอกสอนอยู่เนี่ยแสดงทำอยู่เนี่ยเธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเนี่ยบอกวันนี้พรุ่งนี้เช้าได้ บอกตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มีบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันมันละแต่คนมันก็จะเป็นไปตามลําดับที่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องมีนะคือต้องมีไอ้พวกนี้แหละต้องมีวิเวกจางคลายเป็นความดับไปครัทีนี้พอเราพูดถึงโพชงอย่างนี้นะเราก็ต้องพูดเราได้พูดถึงเหตุของโพชงแล้วเนาะว่าเหตุของมันคือสติปัานที่สี่ รเราได้พูดถึงตัวโพชฌงค์เองที่ว่าลักษณะการกระทำอย่างไรให้เข้าสู่วิมุตต์ตัวโพชฌงค์เองสติธรรมวิจยะปีติปัสสติอะไรพวกนี้สมาธิเนี่ยเราก็เคยพูดกันไปแล้วอภิญญาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันจะได้ครบคลุมบริบูรณ์นนะว่าสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ีนั่นแหละนั่นคือสติสัมโพชฌงค์เวลามีรธรรมะคนที่มีสติเนี่ยจะเลือกเฟ้นใครคีครวญธรรมะอยู่คนที่เลือกเฟ้นใครคีครวญธรรมะอยู่เนี่ยนะ ตพูดอย่างนี้ไปเลยควบคู่กันไปเลยก็ได้ว่าสติที่เป็นภาย ใ, ในเนี่ยก็เป็นสติสัมโพชฌงค์สติที่เป็นภายนอกก็เป็นสติสัมโพชเพราะฉะนั้นสติทั้งภาย ใ, ในภายนอกก็เป็นสองสัมโพชฌงค์บางคนเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นคนด่ากันในทีวีก็มีสติอยู่นั่น น, น, น, นัสติสัมโพชฌงค์ของคนเกิดขึ้นละบางคนมีอาการภายในเกิดขึ้นเจ็บก้นปวดหลังมีความสุขกินอาหารอร่อย เขามีสติหมดนั่นน่ะสติในภายในเกิดขึ้นหละ่ะอย่างนี้นะครับเอาอย่างคนที่มี<อ>ธรรมะวิจัยยัยงไงครับอก็คือคนที่เห็นใบไม้ร่วงโอ้ธรรมะเกิดขึ้นมันไม่เท่นั่น น, น, น, น่ธรรมะวิจยัยสัมโพชฌ์อันเป็นภายนอกบางคนมีธรรม ะ, ระเห็นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาทชีเกิดขึ้นมาโอ้เหตุการณ์นั้นผ่านไปเราควรทําอย่างนี้ธรรมะเกิดขึ้นมาน่นธรรมะวิจัะอันเป็นภายในนี่หรือไม่ าาธรรมวิทยาอันเป็นภายในาาธรรมวิทยาอันเป็นภายนอกก็ตามอันเป็นภายในก็ตามก็เป็นาาธรรมวิทยาเหมือนกันแล้วก็ยังมีปิตินะความบางทีเรามีปิติที่เป็นภายในนะปิติทางกายก็มีปิติทางใจก็มีนะปิติทางกายทางใจเนี่ยก็เป็นปิติสัมโพชงหรือบางทีเรานั่งสมาธิไปอย่างเงี้ยหรือว่าเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย มีความสงบทางกายมีความสงบทางใจคือความสงบทางกายเนี่ยหมายความว่ากายเราไม่เร่าร้อนออกไปตามสิ่งภายนอกใช่ไหมความสงบทางใจเราก็สงบอยู่ในใจนิ่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปสัจติสัมโพชง <c oughs> สมาธินะทางสมาธิเนี่ยคือสมาธิที่เกิดทางกายกับทางใจนะสมาธิ <c oughs> ทางกายทางใจนี่แหละ ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาหน้าที่เป็นทางกายและทางใจนั่นก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เหมือนกันทางกายกับทางใจครับใช่ก็อย่างนี้โพชฌงค์เก็จะได้เหมือนคูณ2กลายเป็นโพชฌงค์สิใช่ไหมครับใช่ครับเพราะใน14บส่อันนี้ก็คือก็คือโพชฌงค์เหมือนกันแล้วท่านพระเจ้าจึงกล่าวสรุป ให้ฟังว่าโพชงเสร็จ อ, อย่างเนี่ยอาศัยเป็นสิบสี่อย่างได้ก็ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้ครับทีนี้พอพูดถึงโพชงอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องพูดถึงโพชงที่เป็นลักษณะแบ่งเป็นสองหมวดคือโพชงที่ใช้สำหรับจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็คื อ, อเวลาเราจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะยากให้ตั้งขึ้นได้ด้วย ความธรรมวิชาสัมโพชฌงหรือว่า ป, ปีติสัมโพชฌ ง, รรรชงหรือว่าปีติสัมโพชฌงธรรมวิชาสัมโพชฌงหรือวิริยะสัมโพชฌงเวลาจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยยิ่งเร่งความเพี่ยนมากยิ่งเป็นไปด้วยความฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้น<อ>จึงต้องอทําอย่างตรงข้ามต้องใ ช, งใช้ความสงบระ ง, งับสมาธิแล้วก็อุเบกขาก็คือปัจธิ สมาธิแล้วก็อุเบกขาสมพโชงใช่ไหมครับอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาไฟกองใหญ่เนี่ยแมถ้าจะรเรายิ่งใส่ไม้แห้งโคไม้แห้งเป่าลมเข้าไปมันยิ่งลุกฮือเหมือนเรามีความเพียรมากมีไฟมากเนี่ยเราก็ไม่ควร<อ>จะเจริญพิจารณาธรรมะอะไรหรือว่ามีความเพียรเร่ความเพียรมากขึ้นยิ่งฟุง้งซ่านะ่ะทีนี้ แลถ้าตรงกับข้ามหรืบางคนจิตหดหูนะจิตหดหูใช้อะไรครับอถ้าจิตหดหูอยู่เนี่ยเราถ้ามาเจริญสมาธิเจริญปีติเจริญสมาธิเจริญปสัทสติเจริญอุเบกขาเนี่ยมันก็เหมือนไฟกองเล็กนะคุณต้องการจุดให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่คุณดันเอาน้ํารมนะเอาโคลมายเปียกใส่ลงไปเอาไม้สดใส่ลงไปมันก็ไม่ลุกฮือขึ้นมาเหมือนกันจิตที่เราหดหูเนี่ยถ้าเราไปเจริญอุเบกขา ไปเจริญสมาธิไปเจริญปัสสติเนี่ยมันจะยิ่งเป็นไปเพื่อความเกียรติครานอีกอ่าเป็นยิ่งเป็นไปเพื่อความเกียรติครานถูกต้องเพราะฉะนั้นทำไงเขาก็ต้องมาเจริญปีติสัมโพชฌงเจริญธรรมวิจยตสัมโพชงสติด้วยไหมครับแล้วก็เจริญวิริยะสัมโพชงอ๋อลัตติไปหนัครับใช่ไหมที่เราพูดอยู่นี่มีแค่หกอย่างครับติสามอย่างแรกเนี่ยก็คืออุเบกขา สมาธิและก็ปัตสัิสามอย่างถัดมาก็คือธรรมวิจยะวิจยะวิริยะแล้วก็เจริญปิติสามโพชางก็จะแบ่งเป็นสหมวดอย่างนี้แล้วสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมที่เลิศในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้ตอนนี้ฉันจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวต้องรีบไปเจริญสมาธิสัมโพชฌงก่อน โอ๊ยตอนนี้ฉันจิตหดหูเดี๋ยวฉันไปเจริญอธรรมวิเชายสามโบชงดีกว่าโถเอ้ยคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอาแค่เรามีสติอย่างเดียวอืเอาแค่เรามีสติสตในลมหายใจอย่างเดียวใช่มันแก้ได้หมดมันก็จะเป็นอัตโนมัติแค่เราสังเกตลมหายใจเนี่ยกุณมีสติแล้วนะมันจะค่อยเป็นไปตามลําดับครับไอนะความคิดที่ว่าโอ๊เดี๋ยวไปทาอย่างนี้<ๆ>เดี๋ยวไปทำอย่างนี้นันะ่ะฟุ้งซ่านไปแล้วนะจิตฟุ้งซ่านไปแล้วออืมับเพราะฉะนั้นเลิกคิดซะ มาทำจิตให้สงบมีสติอยู่ให้เจริญอาณาปณะสิกไปเลยแกได้หมดใช่ไหมครับก็คือว่ามันเป็นไปตามลําดับของมันอยู่แล้วลทีนี้ทําไมพระเจ้าต้องอธิบายละเอียดขนาดนี้นะโอ้โหยิ่งผู้ยิ่งงงได้เนี่ ค, คือการ <laughs> แสดงธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันต้องครบทุนกระบนวนการไงทำให้เรารู้รอาการของจิตเราว่าอ๋อไอ้ที่เรานั่งสมาธิแล้วมันโอมีความสุขมากๆเนียมันมปีติสัมโพชง เรานั่งสมาธิบางทีธรรมะแตกไหลออกมาอย่างเงี้ยอ๋อนั่นมั น, ม น, ม น, มนธรรมวิเยรสำโพชงบางทีเราเดินไปเดินไปคนด่าว่าเราเราก็ไม่ว่าไม่ตอบแล้วก็ในอุเบขาสัมโพชงอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นพอเราเราต้องทราบข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จ ะ, ะให้ทราบของพระเจ้าเนี่ยสอนนิคมมากเน็บมากละเอียดทุกขั้นตอนพวกนี้อยู่ในจิตหมดเลยอเพราะฉะนั้นพอเรารทราบแล้วเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ให้ตามนั่นคือมีสติอย่างเดียว อมีสติ ร, รักษาจิตของเราอยู่ตลอดเวลาออันนี้กรำลังที่ท่านกล่าวว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์ก็ชัดเจนนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดถึงโพชงทีนนี้เราพูดถึงเรื่องของอโพชงที่เป็นลักษณะของสามส่วนใช่ไหมสำหรับโพธุจิตฟุ้งซ่านทีนี้การพูดโพชงถ้า น, านไม่พูดเรื่องรักษาโรคนะคหมอรนะัตตบงจะไม่ครบถ้วนมีด้วยเหละครับ มีสิทธิ์ที่บทสวดโพชงเนี่ยคนเขาชอบเอาไปสวดกันเพื่อให้คนหายจากโรคให้โรคหายเดี๋ยวในหลวงป่วยก็สวดโพชงครูบาอาจารย์เปู่ก็สวดโพชงตัวเองปู่ก็สวดโพชงอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามันใช้งานได้ผลไหมเขาทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็ไม่ทราบว่าเขาทําไปทําไมแต่พอมาศึกษาดูเรื่องของบทสวดเนี่ยคือมันมี อในสมัยพุทธกาลที่อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีป่วยภาษารีบุตรป่วยหรือแม้แต่ตัวพระเจ้าเองเนี่ยป่วยก็ให้บุคคลเนี่ยสาธยายเรื่องโพชงให้ฟังนะให้บุคคลอื่นเนี่ยหรือว่าเอาเอ า, เ อ, าอธิบายเรื่องโพชงพออธิบายเรื่องโพชงให้ฟังแล้วเนี่ยเ อ, อมีปีติสุขมีปีติสุขแล้วหายป่วยเป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นเหตุเป็นผลต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าเออ่ ศาสตราจัยโพชงให้ฟังเนี่ยคือคุณเข้าใจความหมายของขององค์ธรรมที่ทําให้จิตจ่ออยู่วิมุตแล้วนะแม้มันจะไม่ยินดีได้ไงหมอแล้วตรงนีนะ้จิตเราเนี่ยจ่ออยู่ที่ประตูสู่วิมุตแล้วนะเรามีสติฉะนั้นคุณจ่ออยู่ประตูสู่วิมุตแล้วนะคุณจะเห็นไม่เห็นเนี่ยแม้มันมันมีน่าจะมีความยินดีมากๆตรงนี้ นะแต่นนในบทสวดโพชงที่เราสวดกันทุกวันทุกวันนี้นะไม่มีความหมายของสติสัมโพชง์ชไม่มีความหมายของธรรมวิชาสัมโพชงไม่มีการทํางานตรงนี้ว่ามันคืออะไรแคร่มันพูดเฉย ๆ, ๆว่าคนนี้ป่วยเพราะฟังโพชงค์คนนั้นหายเพราะฟังโพชงค์คนนี้ก็หายเพราะฟังโพชงอ่ะจบบทสวดโพชงมีแค่นี้อเองอมันมันมันยังไม่ครบไม่บริบูรณ์อ้าวพรุ่งนี้ดีกว่าแล้ก็ทำดีก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะบอกคุณจะสวดโพชงคคุณต้องเข้ า, ขาใจความหมายของโพชงด้วยนะ พอเข้าใจแล้วเกิดอะไรมีปีติสุขปีติสุขจะเป็นยังไงใ จ, ใจสบายใจสบายใจไม่กังวลแล้วกายมันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมที่ยังมีความกังวลยังมี ค, ความยึดถืออยู่นะใจมันก็ยิ่งแย่ลงมีอกุศลอแล้วกายมันจะดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเพราะใจมันไม่ดีฉะนั้นพอคนเรารแล้วบุคคลพวกนี้นะหมอลขขาษพงดูลิสไลชื่อมามีใครบ้างอ๋อพระคิดิมณฑนก็หายสารีบุตรก็หายพระพุทธเจ้าก็หายที่บุคคลนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นบุคคลชั้นยอดนะ เป็นคนมีศรัทธาทั้งนั้นเลยอ๋ออไม่รู้ว่าเป็นอารย์หรือเปล่าอสมมติเป็นอารยะก็ได้แต่บุคคลพวกเนี้ยเป็นบุคคลที่มีศรัทธาแน่นอนมีศรัทธาในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเขาฟังธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจธรรมะด้วยอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนฟังโพชงแล้วจะหายหรอกจะไปรู้ได้ไงคุณมีศรัทธาในการฟังธรรมไปละถ้าคุณมีศรัทธาในการฟังธรรมคุณฟังธรรมแล้วเข้าใจมีสิทธิ์หายได้เพราะมีปีติสุข แต่ถ้าคนหนาหนาไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ๆจะมาฟังแล้วให้มันเข้าใจจนถ้ามีปีติสุขโอ้โหมันยากว่ะนึกออกใช่ไหมหมอพงศ์ว่าเหตุผลของความที่มีโพชงแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็เพราะอย่างนี้อธิบายได้เช่นประการวเช่นนี้ใช่ครับเวลาเอาต่อให้คุณเอาบทโพชงเต็มๆเลยอ่ะไปสวดให้คนป่วยเป็นมะเร็งขั้นสี่ฟัง กินกระดูกไขสันหลังไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยจะฟื้นขึ้นมาไหมมันยากมากไม่ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วเตือนไว้แล้วว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอาการป่วยอะไรต่างๆมันมาแน่ทําอย่างไรถ้ามันมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้อยู่ผาสุกอยู่ได้อย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยให้รีบทําความเพียรนั่นโควนไม้นั่นเรือนว่า อย่าร้อนใจในภายหลังเลยซึ่งเมื่อที่ภัยเหล่านี้มาแล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้น ค, คิดว่าเรื่องโพชงรเราได้พูดไปแล้วเรื่องของเหตุของโพชงนะคือสติปัาน4ผลของโพชงคือกา ร, รปล่อยวางเข้าวิชาวิมุติได้โพชงแต่ละอย่างนี่ก็ทํางานโดยอิสระแยกจากกันอันใดอันหนึ่งก็ได้ โพ้ชงก็แบ่งเป็นได้อีกสิบสี่อย่างเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็น3ามก็ได้นะนึ่งก็คือคสําหรับจิตฟุ้งสั้นสามสำหรับจิตอทหุ่นเนืาหรับทุกอันหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็เรายังไม่ได้พูดถึงโพ้ชงกับการรักษาโรคว่าคนที่ฟังธรรมะชั้นลึกซึ้งขนาดเข้าไปในจิตอย่างนี้เนี่ยนะเขามีศรัทธาแน่นอนเขาฟังธรรมะเขาเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทําให้เขามีปิติสุขเกิดขึ้นได้ นั่นคือเหตุผลในการที่โรคมันคลายลงไปได้มีกันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือโพชงกับพรมวิหารสี่ผู้เรียนเคยตรัสถึงเรื่องการเจริญพรมวิหารสี่ด้วยใช้ระบบของโพชงคือพูดถึงการเจริญโพชงอย่างที่เราพูดมาเนี่แหละวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวางใช่ไหมมีความวิเวกมีความจางคลายมีความดับน้อมไปเพื่อความปล่อยวางอันประกอบไปด้วยเมตตา มีมโพชฌงค์แต่ละอย่างเจ็ดอย่างเนี่ยอนาศัยวิเวกความจางคลายความดับไปอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางอันประกอบด้วยกัรุณาอันประกอบด้วยมุทิต า, ตาประกอบด้วยอุเบกขามุทิต า, าตอุเบกขาตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าปาราบเหตุที่มีภิกษุไปบิณฑบาตแล้วก็อได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาพูดว่าพวกปริบชกเนี่ยก็สอนเรื่องพระวิหารสี่นี้เหมือนกัน บุญบทพยัญชนะเดียวกันกับที่พระเจ้าสอนแล้วเขาก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงกับสสมณะโคดมแตพระเจ้าก็อธิบายให้ฟังถึงเรื่องตรงนี้ว่าอา้าถ้าเขาพูดกันอย่างนี้นะให้เธอถามไปเลยว่าคติที่ไปของการเจริญพรหมิหารสีอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรนะวิธีการเจริญเป็นยังไงรายละเอียดพวกนี้เขาจะไม่ทราบนะก็ให้ทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าเอาโพชงมารวมกับพรหมิหารสีได้วากันเถอะ ครับก็เป็นหมดธรรม ท, ที่ที่เหมือนสอดคล้องกันนะครับใช่ใช่เพราะนั้นใครใว่ารพรหมิหารสี่เนี่ยทำให้บรรลุมรรผลนิภานไม่ได้ไม่จริงเพราะว่าพุทธเจ้าก็พูดไปตรงนี้ว่าถ้าคุณมีโพชองแล้วมันจอดอยู่ประตูส่วิมุตตแล้วอ่ะแล้วเราก็มีอุเบกขาแล้วเราก็มีอุเบกขามก็เป็นหนึ่งในพรหมิหารสี่อ่ะใช่ปะ่ะเมตตาก็เป็นหนึ่งในพรหมิหารสี่ เมตตาอย่างที่มีโพชงค์พระาก็ยืนยันอยู่ว่ามีเอา้ามีวิเวก ว, วิราคะมีนิโรธรัตธรรมจะปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางได้ก็เป็นพระหลานได้เหมือนกันอนะซึ่งแง่มงืตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาดูให้ละเอียดแค่นั้นเองอครับอออัอัน น, นตรงนี้นี่เป็นของใหม่เลยผมก็ไม่เคยคิดเชื่อมโยงนะครับโพราะชงเจ็ดกับพรหมวิหารสี่อ่านี้พุทธวจนนะได้ไ ด, ได้รบ<ล>ะบุเข้ามาอย อาจารย์ครับเรามีคําถามจากท่ า, า น, นผู้ฟังที่ใช้นามว่าศิลอย่างนี้จะขอเนื้อถามได้เลยถ า, ามได้เล ย, เลยครับคุณวศินถามว่าครับามมาคุณวศินถามว่าพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐภาษาไทยนะครับเล่มที่ยี่สิบพระสุตตะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองอังคุตระนิกายเอกทุกกตินิบาศหน้าที่ยี่สิบสี่ทับสองร้อยเก้าสิบ ข้อที่หนึ่งร้อยสี่ิบเอดถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสองเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าครับอ๋อถ้าไปเปิดดูก็จะพบว่าเป็นพุทธวจนะในหน้าสองรอยเก้าสิบเนี่ยอา่าเป็นพุทธวจนะพูดถึงเรื่องของภิกษุแต่ละรูปหรือภิกษุณีแต่ละรูปมีความสามารถอะไรเป็นเอตตะคะคในด้านนั้นๆอย่างพาระราหุนก็เป็นผู้ ท, ที่ทรงในการศึกษาพระ อ, อนนท์ก็เป็นผู้ปูสูตรุภาษาลิบุตรก็เป็นผู้มีฤทธิ์อา่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นปัญญ า, าครับ อันนี้ก็เป็นพุทธพจนะเพราะว่าสอดคล้องกับพระสูตรอื่นที่ได้เคยตรัสไว้ก็สอดคล้องกันอยู่อืืออันนี้พอเรารตรวจสอบได้เลยเราก็ไปตรวจสอบกับพระสูตรอื่นได้ครับตรวจจากคอมพิวเตอร์รถ้าไปเป็นดอกคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับคุณประสินได้ถามมาอีกคําถามหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าเจริญอาณาปณะสติทําให้มีสติสัมโพชงบ้างมีโพชงเจ็ด แล้วก็มีวิชาวิมุติทําอย่างไรอันนี้เราได้พูดไปแล้วในตอนที่ยี่สิบสามในรายละเอียดครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณวสินไปตามฟังในตอนนั้นกันแล้วกันเนาะครับครับตอนที่ยี่สิบสามครับที่พูดเรื่องอาณาปนนสติครับอืมครับทีนี้คิดว่าคําถามมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคิดว่าหมดตอนนี้ครับเท่านี้ครับใช่ใเพราะฉะนั้นก็ถ้าอท่านผู้ฟังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆก็ให้เขียนกันเข้ามาที่เพียวตอมาร์ดม แล้วก็คำถามใดๆที่ถามแเราจะทำให้คลายความสงสัยขึ้นมาได้ก็ให้ถามได้ในวันคราวหน้าตอนที่ยี่สิบยี่สิบอะไรหรอห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าครับในตอนที่ยี่สิบห้าเราก็จะมาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปล่ะได้เตรียมไว้อยู่แต่ยังไม่บอกตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้ได้ติดตามฟังไปว่าเรื่องเด็ดๆที่ยังไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนเหมือนกันที่จะมาพูดในวัน ตอนที่25นั้นสัดาห์หน้านั้นจะเป็นอะไรให้ติดตามฟังกันในตอนต่อไปอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีมีหัวข้อทำที่สงสัยเป็นหมวดหมวดเลยอย่างนี้ยกมาได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันท่านผู้ฟังบางท่านศึกษาพุทธวจนะไปแล้วก็โอ้หมวดนี้รู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่ายังไม่แตกแย่ชานอย่างเงี้ยยกมาได้ใช่ไหมครับเราเรายินดีนะครับท่านใช่ใช่ครับสั่นก็พิเทวธรรมะ닷คอมพิเทวธรรมะ닷คอมใช่ มันก็กลับมาบพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าแ ล, แล้วก็หมอนัตพงศ์ก็จะขอลาไปก่อนละจเได้ฟังครับครับดรรัรรสการพระจานทร์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ